สิคราบ ท, ที่14เรื่องพระชาพคี652สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินธิกาเศรษฐีเขตกรุงสวัรธีครั้งนั้นพวกพิสุทิ์ชพคีถ่ายอุจจาระบ้างปัสสาวะบ้างบ้วนน้ำลายบ้างลงบนของเขียวพระบัญญัติ14เพึงทำความสำเนียกว่าเราไม่เป็นไข้จะไม่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะ หรือบ้วนนําลายลงบนของเขียวเรื่องพระชัพคีจบสิกขาบทวิพังภิกษุไม่เป็นไข้ไม่พึงถ่ายอุจาระปัสสาวะหรือบ้วนนําลายลงบนของเขียวภิกษุใดไม่เอื้อเฟื้อไม่เป็นไข้ถ่ายอุจาระปัสสาวะหรือบ้วนนําลายลงบนของเขียวต้องอบัติทุกกฎอนาปฏิวาณภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัติคือหนึ่งภิกษุไม่จงใจ 2. ภิกษุไม่มีสติ 3. ภิกษุผู้ไม่รู้ 4. ภิกษุผู้เป็นไข้ 5. ภิกษุถ่ายลงในที่ไม่มีของเขียวแต่ไหลไปรถของเขียว 6. ภิกษุผู้มีเหตุขัดข้อง 7. ภิกษุวิกลจริต 8. ภิกษุต้นบัญญัตสิกขาบทที่14จบ